นี่เป็นวันพระใหญ่อัมาขอถือโอกาสนี้พุทธมะให้โยมฟังพระธรรมดาออกมาไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่เมื่อเย็นก็เทศไปแล้วเรื่องครูบาจารย์ต่างๆวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการวางใจในการทําบุญซึ่งมางทีญาติโยมเนี่ก็มองข้ามจุดนี้ไปก็บุญบุญหรือทานที่เราทำเนี่ยถ้าเกิดเราวางใจไม่เป็นนะอั น, นิสงฆ์ก็น้อยแต่ถ้าวางใจเป็นเราทําบุญเราก็ได้นิสงฆ์มากเพราะบุญกุศลเกิดจากจิตของเราเองแต่คนเรามองข้ามจุดนี้กันมากเราจะเล่าเรื่องสมัยพุทธกาลให้ฟัง มีพระราชาอยู่รูปหนึ่งอยู่องค์หนึ่งซึ่งพระราชาองค์นี้เป็นวิชาทิฏฐิคือเชื่อว่าบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีชาติหน้าไม่มีคือตายแล้วศูนย์พระราชาองค์นี้ชื่อว่าพระเจ้าปายาสิเป็นเจ้าเมืองเสด็จับยะเมือง น, นี้ก็เป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศลซึ่งมีพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นพระราชาพระเจ้าปายาสิเนี่ยเป็นวิชาทิฏฐิที่เชื่อว่าบาปบุญไม่มีแล้วก็มีการทดลองต่างๆที่พระองค์ขี่ขึ้นมาเอง แล้วก็ว่าสมณะพามสอนผิดสอนเพื่อเห็น็เหนแก่ประโยชน์ตนเองว่าทำดีแล้วไปสวรรค์ทำชั่วลงนรกแล้วพระองก็เก่งมากเลยการพูดหักล้างซึ่งสมัยนั้นคนที่มาพูดก็พูดได้เป็นโดยพระองค์หักล้างหน้าแตกกลับไปทุกไลายจนมาถึงวันหนึ่งพระกุบาลกัสปะได้ทราบข่าวจึงเข้าไปหาแล้วก็มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนทิฏฐิของพระราชาค น, นี้ให้ได้ก็เลยเกิดศีวนานขึ้น พระกุมารกัสปะก็ถามว่าพระองค์มีความเห็นว่าชาติหน้าไม่มีบุญบาปไม่มีลกสวยไม่มีจริงหรือพระเจ้าปยาสีก็บอกว่าจริงโยมมีความเห็นแบบนี้มีการทดลองมาหลายครั้งแล้วพระกุมารกัสปะก็ถามว่าทดลองยังไงคือโยมเรียกคนที่ทํำชั่วมาถามแล้วบอกว่าเวลาตายตายไปแล้วให้มาแจ้งด้วยคือพวกคนี้ต้องตกอรกตามที่สมณพสมณพามสอนไว้ ก็ไม่เห็นผู้ใดมาบอกข่าวได้เลยเหตุตายทุกไลน์ก็เงียบหายหมดซึ่งพระกุ ม, มารกัสปะ ก, ก็บอกว่าพระ อ, องค์เวลามีนักโทษประหารคันเด็ดขาดที่อยากไปเยี่ยมครอบครัวพระ อ, องค์จะอนุญาตให้กลับไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็จะกลับมาบอกพระ อ, องค์ไหม พระเจ้าจปาร์สีก็บอกไม่ได้ขืนปล่อยไปก็หนีไปสิแล้วก็ไม่มีอิสระที่จะไปด้วยพระกุระกัสบะก็บอกว่าฉันนั่นก็ฉันนั้นนักโทษเด็ดขาดในโลกถึงจะไม่รื้สัญญาที่ให้ไว้กับพระองค์ก็กลับมาบอกไม่ได้เพราะต้องได้รับทุกทรมานอยู่เหมือนนักโทษประหารค ด, ด, ดิขาดคือไม่สามารถมาบอกได้เจ้าปาร์สีก็บอกว่าถึงไงโยมก็ไม่เชื่ออยู่ดีเพราะโยมเคยเคยคุยกับสมณพามที่ทําดีที่มีที่มองว่าตายตายไปแล้วไปสวรรค์ก็บอกว่าไปสวรรค์แล้วกลับมาบอกด้วยก็ไม่เห็นมี สักคนพระกุมารกัสปะ ก, ก็บอกว่าเวลาในสวรรค์กับมนุษย์นั้นต่างกันมากวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ก็เท่ากับร้อยปีในโลกมนุษย์ถึงเทวดาถึงคนที่ตายไปไม่ลื้สัญญาที่ให้ไว้กับพระ อ, องค์จะกลับมาบอกพระ อ, องค์ก็ตายไปนานแล้ว ซ, ซึ่งไม่สามารถมาบอกได้เพราะเวลาต่างกันและอีกเรื่องหนึ่งคือเทวดาสวยสุขอยู่ก็เหมือนคนที่จับเหมือนเหมือนนอนที่ออกจากหลุมคูดหรือคนที่ตกหลุมหลุมหลุมแล้วเอามาล้างหลุมโคนหลุมคูด แล้วอาบไปสะอาดแล้วพระองค์คิดว่าอยากกลับลงไปอีกไหมเพราะโลกมนุษย์เนี่ยร่างกายมนรูย์ต้องกินอาหารต้องขับถ่ายบาที่ต้องสกรปรกแต่ในโลกของเทวดาโลกทิพย์ไม่มีการกินการอะไรมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นถึงก็มีสิ่งที่เพลิดเพลินก็คงไม่คิดอยากกลับไปอีกถึงไงโยมก็ไม่เชื่ออยู่ดีโยไมไปการทดลองเอากรกทัวร์อาหารมาใส่หม้อแล้วก็ดินเหนียวฉาบไว้ เพจะสังเกตดูว่าวิญญาณหรือชีวะจะออกตรงไหนได้บ้างก็ไม่เห็นมีวิญญาณออกได้เลยไม่เห็นเลยดีกว่าโยยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าบาปบุญมีนะโลกสวรรค์มีชาติหน้ามีพระกุ布拉กัสปะก็บอกว่าเวลาพระองค์นอนหลับยามกลางวันแล้วมีมหาเล็กเฝ้าอยู่แล้วพระองค์ก็ฝันว่าไปเที่ยวนุนวนเที่ยวนี่ขณะนั้นมหาเล็กสามารถเห็นวิญญาณของพระองค์ไหมพระเจ้าปาสัสยศิก็บอกว่าไม่เห็นหรอกไม่เห็นนี่ขณะพระองค์ยังเป็นเป็นอยู่ ยังไม่เห็นแล้วคนตายจะไปเห็นได้ยังไงแต่โยมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีโยมได้มีการทดลองเอานักโทษประหารเอามาชั่งน้ำหนักดูก่อนที่จะตายเนี่ยน้ำหนักก็เบาแต่เวลาตายแล้วน้ำหนักก็มากพระกุมารกัสบาก็บอกว่าเหล็กเหล็กที่ร้อนร้อนอยู่ก็ย่อมจะเบาวกว่าเหล็กที่เย็นร่างกายของคนเราก็เหมือนกันมีธาตุสีดินนะ้ำลมไฟระชุมกันอยู่ก็ย่อมจะเบาคนตาย คนตายก็จะหนักขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาโยมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีโยมทดลองให้คนเนี่ยประหารประหารนั ก, นกโทษแบบแบบไม่ให้บอบช้ำเลยให้อัยวะสมบูรณ์เพื่อจะตรวจ ด, ดูว่าวิญญาณออกทางไหนก็ไม่สามารถเห็นได้พระกุบรากัศสปา ก, ก็บอกว่าถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับคนเป่าสังแล้วก็ให้ชาวบ้านมามาม า, มาจับสังดูว่าเอ๊ะเสียงมันออกมาจากตรงไหนพิกซ้ายพิกขวา ก็ไม่สามารถได้ยินเสียงสั่งได้เพราะว่าพราะองค์ถาผิดวิธียมูยังไม่เชื่ออยู่ดียูมีการทดลองเอารักทโทษประหารมาเฉือนทีละชิ้นทีละชิ้นจนถึงเยื่อกระดูกเพื่อจะดูว่าพิสูจน์ว่าวิญญาณออกทางไหนก็ยังไม่เห็นวิญญาณออกพระกุบรักกัสปะก็บอกว่ามีฤาษีอยู่ในป่าวันหนึ่งเกิดอยากไปในเมืองจึงสั่งลูกศิษย์ที่เป็นเด็กธรรมดาฤาษีจะจุดไฟไว้บอกก็บอกเด็กว่าอย่ายให้ไฟดับ ให้เคยดูไฟด้วยแต่แต่ฟานที่เด็กสนก็เป็นเล่นจนลืมปล่อยให้ไฟดับพอไฟดับปุ๊บก็ไม่รูจะติดยังไงเอาไม้มาสีกันก็ไม่ติดทําไงก็ติดไฟไม่ได้ก็เอามีดเอาผ่าผ่าไม้จนหมดก็ไม่ติดอยู่ดีฤาษีกลับมาก็ว่าเด็กโง่ใครเขาติดไฟแบบนั้นว่าแล้วก็เอาไม้มาสีไฟก็ติดเขาเปรียบเหมือนกับพระองค์เนี่ยทำผิดวิธีและทําผิดตั้งแต่ต้นคือมีการพิสูจน์ผิด แล้วฝ่าแล้วก็พอพิสูจน์ผิดปุ๊บทดลองที่ผิดก็ได้รับผลที่ผิดตอนนี้พระเจ้าปายาศีก็เริ่มถูกเหตุผลหักล้างเขาเริ่มยอมเชื่อแล้วแต่ก็บอกว่าถ้าขืนโยมเชื่อพระคุณเจ้าผู้พระราชาต่างๆก็จะหาว่าโยมไม่มีจุดยืนเป็นคนที่หวันไหวไม่มีหลักการพระกุมารกัสป่าก็บอกว่าทิฏฐิของพระ อ, องค์เนี่ยผิดถไทะเปรียกก็เหมือนกับกองกองเกวียนสองคณะ คณะหนึ่งเดินทางไกลซึ่งไปไกลมากก็ขนสบียงอาหารไปแล้วก็ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมาเจอชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าข้างหน้ามีอาหารบริบูรณ์มีน้ําทิ้งสเบียงเปเถอะเพื่อบววัวควายที่เทียมจะได้ไม่หนักซึ่งกองกเฟียนกลุ่มนี้ก็เชื่อก็เอาสเสบียงอาหารทิ้งไปหมดแล้วผอข้างหน้าก็อดตายเพราะข้างหน้าไม่มีน้ําไม่มีอาหารเลยซึ่งประมาทกองกเฟียนกองนี้แล้วกองกเฟียนอีกกองหนึ่งไม่เชื่อคือยอมระบาก พกสบียงไปอันนี้ก็รอดตายแล้วก็เปรียบเหมือนคนนําขี้หมูมาเทิรทูนไว้ที่ศีรษะแล้วก็เดินไปอยู่มาฝนก็ตกคนที่เอาขี้หมูไว้ศีรษะก็บอกว่าเป็นอาหารหมูชาวบ้านพูดยังไงก็ไม่เชื่อเจินเหม็นไปทั้งตัวไม่บอกอาหารหมูอยู่นะหรือถ้าเปรียบก็คนเล่นสกาพู้ชายสองคนเล่นสกาอยู่อีกคนนึงมีความว่ากะท่าจะแพ้ก็อสกาอมมาที่ปาก ชายคนหนึ่งที่เล่นด้วยก็เปลี่ยนแบบมั่งแต่เพ อ, เอิญส ก, กามียาพิษอยู่ก็เลยอมแล้วตายแล้วยกมาอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องมีชายสองคนเดินทางด้วยกันชายสองคนคนนี้ก็มีเก็บป่านไว้เพื่อจะกลับบ้านไปขายพอเดินไประหว่างทางก็ไปเจอฝ้ายชายคนหนึ่งก็ไม่ยอมทิ้งป่านถือว่าถือมาแล้วแต่ชายคนนึงทิ้งป่านแล้วเก็บฝ้ายขึ้นไปแล้วเดินไปสักพักเดืงก็เจอเหล็กเจอดีดบุกเหล็ ก, ด, ก, ลกดีบุกเลยต่างๆเนี่ยเงินทอง คือชายคนหนึ่งเนี่ยจะเก็บตลอดเอาของดีแล้วทิ้งของที่ไม่ดีแต่ชายคนหนึงก็ถือป่านอยู่นั่นแหละไม่ยอมทิ้งจนมาถึงบ้านภรรยาญาพินอก็ด่าชายคนที่ถือป่านาว่าโง่งจริงแต่ชายคนที่เก็บของที่ดีแล้วทิ้งของไม่ดีเนี่ยญาพินอกสารเสริญบอกเป็นคนฉล า, าดซึ่งพระองค์ก็เปรียบเหมือนสี่เรื่องที่อธมาอุ ม, มาอวบไม้ซึ่งมิจฉาทิฏฐิ แล้วก็ยึดทิฏฐินั้นไว้เพื่อกลัวจะเสียศักดิ์ศรีซึ่งยึดปิดผิดไว้ซึ่งพระ อ, องค์ไม่ควรถืออย่างนี้เลยพระเจ้าปายาสิก็เกิดความซาบซึงรร้งใจยอมเปลี่ยนทิฏฐิหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อว่าชาติน่ามีสวรรค์มีและโลกมีบุญบาปมีแต่พระ อ, องค์ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือให้ทานด้วยความไม่เคารพเวลาให้ทานก็ให้ของที่ชั้นเลวแบบไม่ประนีต แล้วก็ไม่ให้ทานด้วยมือตัวเองด้วยจนมีมหัดมหาดเล็กคนหนึ่งชื่อว่าอุตลามานพซื้อเห็นงานกระทํำพระองค์ก็มาตําหนิอธิษฐานทุกครั้งที่ใส่บาตรบอกว่าเกิดชั้นหน้าขอให้อย่าเจอพระองค์เลยอีกเลยคนแบบนี้เราไม่ครบพระเจ้าไปายสิก็เรียกมาถามทําไมอธิษฐานจิตอย่างนั้นระเกียรเราขนาดนั้นเฉียเหรออุตลามานพก็บอกว่าไม่ได้ระเกียรแต่พระองค์เนี่ยให้ทานหรือฟามไม่เคารพล้ะ่า้ของที่ไม่ปานีด ให้ของที่ตัวเองไม่ชอบซึ่งคาโบไม่เห็นด้วยจึงอดิถ่ายแบบนั้นอยากเจอพ่ อ, องอีกเลยพระเจ้าปัจจุัก็มีเป็นคนใจกว้างก็เลยยังมีความใจกว้างอยู่มากก็เลยให้อุตลามนพเนี่ยเป็นคนถวายทานแทนมีหน้าที่รับผิดชอบถวายของต่างๆที่อยากถวายอุต ร, รมามนพนี่ถวายก็ถือก็เป็นคนถวายทานที่คือทำดีกว่าเจ้านายอ่ะเจ้านาย ไมถวายเองแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาเท่าไหร่แต่ว่าอุจจาระมโนบยังให้กับมือให้ด้วยความนอบน้อมแล้วสองคนนี้เวลาตายไปพระเจ้าปายาสีเนี่ยไปเกิดในสวรรค์ชั้นจตุมจตุมนี่ก็เป็นสวรรค์ชั้นต่ำสุดของเทวโลกวิมานก็ค่อนข้างจะไม่ไม่มีอะไรแต่อุจจระมโนบนี่ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงทึ้งสูงกว่ามีสิ่งของต่างๆมากมายความนิสงการทําบุญและการวางใจต่างกันอีกคนให้ทานหรือ ว, ว่าเคารพ ให้ของปนีดอีกคนนึงให้แบบขอไปทีหนึ่งแล้วก็ศรัทธาน้อยคือทําบุญไปอย่างนั้นอย่างนั้นนหละคือวางใจต่างกันผลก็ต่างกันอย่างการทาบุญในพูทศาสนาเนี่ยใครทําใครได้อย่างคนวางใจผิดเนี่ยทาบุญก็ไม่ค่อยได้บุญหรอกบางทีเราฝาดใบไม้ขุงขุงข้าวทำแบบข้าวหรือช่วยงานวัดเก็บพยานต่างแต่ถ้ า, าวางใจผิดเนี่ยเราไปเพ่งโทษคนอื่นว่เอ๊ะทำไมคนนี้ไม่ทําเลย คนนี้ทําไปเห็นแต่ตัวไม่ช่วยเราแม้แต่พระ ก, ก็เหมือนกันนะพระได้วางใจผิดเออเราบินอบาตพระมงคลเกลเรนี่ถึงเวลาวัดตักอาหารงานก็วัดก็ไม่ช่วยเอาเปรียบกินแรงเราตลอดถ้าคิดก็คิดผิดนะฮะเพราะบุญในศาผู้ ส, น, สนาเ น, นี่ยใครทําใครได้แล้วบุญก็แบ่งกันไม่ได้เลยยากด้วยเป็นของใครของมันใครทําชั่วก็ต้องรับกรรมกรรมใครกรรมมันคือถ้าเกิดเราทําทําใจผิดเนี่ยวางใจผิด เวลาทําบุญก็ได้บาปแทนก็มีแต่ถ้าเราวางใจเป็นทําบุญน้อยแรกที่ส่งมากเราสามารถทําบุญได้ทุกที่ทุกเวลาหรือไม่ได้เห็นคนอื่นทแล้วก็มีความยินดีคือสาทุทุกครั้งเห็นใครทําความดีก็สาทุอันนี้เป็นการลงทุนไม่ต้องลงทุนแม้ระบาทเดียวเห็นพาทำความเพียรเดินจงกรมล้วก็สาทุเห็นแม่ชีญาตโยมทำความเพียรหรือขยันแล้วก็สาทุอันนี้เราทําได้ทั้งวันแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็น แล้วก็เอ๊ะคนนี้ทํางานสร้างพระเอาหน้าหรือเปล่าสร้างภาพหรือเปล่าจิตเป็อกุศลแล้บุญไม่ได้แล้วคือทําบุญไปก็ตกทำความดีไป้วตกก๊าโลกไปก็มีบางทีคือเราไม่มีความสุขอยู่งานที่เราทําแล้วทํางานเป็นเนี่ยเรามีความสุขช่วยเหลือขนขวายสามารถสร้างบุญกุศลได้ตลอดยิ่งถ้า ง, งานโรงครัวเนี่ยถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยมีนิสสงมากเลยเราหันกับข้าวทําอาหารเพื่อให้พระและญาติโยมปฏิบัติธรรมได้กินกัน เพื่อเราลงชีพเพือยู่ได้เนี่ยเพื่อส่วนรวมเราทําไปเราก็มีความสุขไป mm. เกิดปิติไปเราก็ได้บุญมากเราก็เต็มใจทําขยันทําไม่หลบไม่หลีกไม่อู้ซึ่งบุญทางทำก็ไม่เหมือนทางโลกนะทางโลกนี่บางคนก็ฉลาดเวลาทํางานเราก็มาทํางานสายโกงเวลาเวลาเลิกงานเราก็เลิกก่อนซึ่งมีคนประเภทนี้เยอะมากเลยในโลกเนี่ยคนเห็นแค่ตัวที่วางใจผิดแล้วอนาคตก็ไม่ค่อยจเจริญคนพวกนี้ พี่คนขยันคนขยันเนี่ยจะเจอรุ่งเรืองขวนขวายาความรู้ใส่ตัวใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์คือคนวางใจเป็นแล้วก็ทําดีทุกที่ทุกเวลาแล้วก็มีอันว่าจะเล่าเรื่องของครูบาอาจารย์เล่าเรื่องหลวงปู่ดูก็แล้วกันหลวงปู่ดู่อัสสักจังหวัดจังหวัดอุทยาท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามากท่านอายุสี่บสามท่านก็อยู่วัดไม่รับกิหมณฑลข้างนอกแล้วเวลาใครมาท่านก็ ตอนรับแล้วก็อยู่วัดตลอดส่วนมากคนมาหาท่านก็จะมากราบแล้วก็มาขอของเพราะท่านเป็นเกียริอาจารย์ชื่อดังมีวันหนึ่งลุสศิธิ์ท่านก็พาขี้เมามาหาขี้เมาก็มากราบหลวงปู่ซึ่งก่อนจะกราบหลวงปู่ก็บอกเอง็งนั่งสมาธิข้าวันละห้านาทีได้ไหมคือหลวงปู่ไม่ได้ขอให้ขี้เมาเลิกเหล้าซึ่งขี้เมาเห็นว่าเอ้คาขอหลวงปู่ไม่ไม่ขอเกินเลยไปก็เลยรับปาก คนสมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดแล้วถือสัสจจะนะอีกข้างนั่งนั่งทุกวันวันละห้าทีตกลงก็ใช้ขี้ม้าที่ก็นั่งสมาธิทุกวันวันละหทีตามสัจจะที่ให้ก็หลงปูใหม่ๆก็ไม่เกิดนิสงอะไรแต่พอนานๆเข้าเนี่ยการนั่งทุกวันเนี่ยจิตเริ่มสงบมีความสุขมากขึ้นเริ่มเห็นนิสงแล้วตอนนี้บางวันเพื่อนมาช่วยไปกินเหล้า ก, ก็ไม่ไปเพราะอยู่จังหวะที่นั่งสมาธิาดีพอนั่งวันๆนานๆทุกวันทุกวันนานๆ ก, ก็เบื่อเลิกเหล้า เลกล่าไปเองโดยบี้ใครบังครับเริ่มเห็นโทษของการกินเหล้ากทําตัวไม่ดีก็นั่งมากขึ้นเพราะจิตเปลี่ยนคือหลวงปู่ดูเนี่ยจะมีอุบายเพราะโดยนิสัยคนเราจะดื้อรัน้นเราไพูด ต, ตรงๆไม่ได้จะต้องให้เห็นโทษเองสํานึกผิดเองเลิกเองเพราะมีหลายคนที่มีกิเลสแบบนี้คือบอกตรงๆไม่ได้เลยต้องใช้อุบายจึงก็ได้ผลทําให้ขี่เมาเนี่ยพอเลิกเลิกกินเหล้าปุ๊บเห็นควสุกจากสมาธิตอนหลังก็มาขอบวช แล้วก็ปฏิบัติธามจริงๆไม่สึกแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีคนหาตายคนหนึ่งคนนี้ชอบทําบาปหาปลาเลี้ยงชีพหลวงปู่ก็ให้ให้ถือศีลชายคนนี้ก็ไม่ยอมบอกว่าอาชีพเขาเนี่ยคือทําบาปอยู่แล้วถือศีลไม่ได้หรอกหลวงปู่ก็บอกว่าเอ็งเดิอนจากวัดข้าเนี่ยถ้าเผื่องูกัดตายเองทําไงอย่างน้อยเนี่ยเอ็งมีศีล น, นะแป๊บหนึ่งเรื่องดีกว่าไม่มีศีลศีลห้าดีก็มีนิสงดีกว่าคนไม่มีศีลซึ่งแปลมาคน คนหาปลาก็ก็ถือศีลอยู่เรื่อยแต่ศีนก็มีอีสอ่สงแปลมาก็เลิกเลิกเลิกฆ่าสัตรชีวิตได้เปลี่ยนเป็นคนดีได้พ่อหลวงหลวงปู่ใช้อุบายไม่ได้บังคับให้เลิกให้ต้องทำงู้นอย่างนี้ตามตามใจแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเอาเรื่องหลวงปู่ขาวแล้วกันหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลจังหวัดหนองบวัวลาพูมีวันหนึ่งมีคนพาพาเด็กอายุสามขวบมาวัดแล้วก็มามาไหว้พระสวดมนต์ ฟังทับเด็กหลวงปู่ซึ่งขณะนั้นก็เป็นเวลาอาหารเช้าฉันเช้าเด็กคนนี้เห็นลูกเงาะที่ปอกเปลือกแล้วที่อยู่ในฝาบาดของหลวงปู่เกิดความอยากกินน้ำไหลไหลเลยหลวงปู่เห็นเขาว่าไอ้หนูอยากกินเงาะไหมเด็กก็บอกอยากอย่างนี้เราต้องต้องแลกเปลี่ยนกันหนูนั่งสมาธิไปแล้วเดี๋ยวจะให้กินเงาะให้ภาวนาบริกรรมว่าหมักเงะหมักงะหมักเงาะ ไปเรื่อยๆด้วยความอยากกินเงาะเด็กก็นั่งสมาธิตามที่หลวงปู่บอกกว่าทับซ้ายนั่งเอามือวางไว้ที่ตักแล้วก็บริกรรมหมักเงาะบังเงาะบังเงาะด้วยความอยากกินเงาะแต่ทำํทำๆไปจิตรวมเป็นสมาธิคือนั่งตั้งแต่เช้าเลยจนถึงบ่ายสามซึ่งหลวงปู่ขาวเขนั่งสมาธิอยู่นั้นคนอื่นไปกันหมดแล้วตอนนี้ศาลาเหลือแค่สองคนนะมีหลวงปู่ขาวเขาเด็กเด็กก็เลยไม่ได้กินเงาะไม่ได้อะไรหรอกได้ความสุขจากสมาธิแทน อันนี้เป็นอุบายของหลวงปู่ถ้าเราบอกให้เด็กนั่งสมาธิโดยโตรงบางทีไม่ได้บางทีต้องมีของลอ่อบางทีถ้าพวกญาติโยมเวลาจะสอนธรรมะให้ลูกก็เราต้องหาอุบายลอ่อเหมือนกันสอนตรงๆไม่ได้ให้อุบายลอ่อซึ่งก็ได้ผลพราเกิดสมาธิปุ๊บเด้จิตจะเปลี่ยนทิศที่จะเปลี่ยนจะละความเห็นผิดได้การปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกันถ้าเกิดเรามีความเชื่ออย่างไรแต่เราไม่เกิดผลของสมาธิหรือเกิดผลของสติดนะเราจะเราจะละความเห็นผิดนั้นไม่ได้เลยถ้าอย่าปฏิบัติไปเนี่ย จ ะ, จ, จะเปลี่ยนจิตมันจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเห็นความคิดเห็นความคิดนี่ไม่ใช่คิดตัวเองนะคือเห็นต้องคิดที่ต้องตานายเปิดอาจจะเห็นแว๊กหนึงหรือบางคนอาจจะเห็นความฝันได้อันนี้จะเริ่มเชื่อแล้วหรือเลละเเริ่มเห็นภาพที่จิตสร้างขึ้นแล้วดับไปดับไปดับไปต่อหน้าเนี่ยถ้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยอันนี้จะเริ่มเชื่อแล้วว่าเอ๊ะสิ่งนี้มีอยู่เพราะความคิดเป็นนายของเราครอบงําจิตใจเราแล้วเราก็เป็นทาสผู้สื่อสารรับใช้ความคิดมาตลอดสั่งซ้ายหานันขวาหานัน บางคนเป็นหนักสั่งให้เสพยาเล่นการพา น, านันหรือทําอะไรที่ไม่ดีต่างๆ ต, ตามกิเลส ท, ที่ตัวเองสะสมไว้บางคนติดคุกติดตารางก็มีเพสาสราะสะสมโทสะโมหะไว้มากไม่มีสติทําอะไรตามใจตัวเองก็อยู่ในคุกก็มากมายคือคุกเนี่ยประตูปิดคน อ, อยากเข้าแต่วัดเนี่ยประตูเปิดตลอดคนไม่ค่อยเข้าคนที่เข้ามาวัดมีบุญนะมีบุญมากเพราะวัดเนี่ยไม่ไดเข้ามาง่ายๆ นอกจากคนที่เคยสั่งสมบา ร, รมีบะทางนีถง้ถึงมาเข้ามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมคนเราจะยากตัวมาภาวนาเนี่ยยากแต่ทําบุญทั่วไปมีมีมีเยอะอยู่แล้วว่าทําบุญทําง่ายแต่วางใจเป็นทํายากถือศีลก็ทํายากภาวนายิ่งยากเผื่อภาวนาผิดอีกไปภาวนาเพื่อเอาฤทธิ์เอาเดชเสียผู้เสียคนมันก็เยอะการเจริญสติบแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยคือรัดสั้นการเคลื่อนมือการเดินจงกรมถ้าทํา ไ, ไปบ่อยเนี่ย ไม่นจะท้ายความคิดทํางานช้าลงบางทีงความคิดสามารถเผยโฉมให้เราเห็นได้ถ้าเราเห็นความคิดแต่แวบหนึ่งเนี่ยจิตเราจะเปลี่ยนเพราะถ้าคนไม่เห็นจะไม่เชื่อหรอกจะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเท่าไหร่ต้องสัมผัสดได้ด้วยจิตตัวเองเพราะค น, คนเคยทำกรรมอะไรไม่ดีไว้เนี่ยมันจะโชออกมาจะฉายภาพให้เห็นภาพพวกนี้จะออกตอนตายถ้าคนไม่ปฏิบัติแล้วไปเช็คบินตอนตายซึ่งน่ากลัวมากถ้าเป็นบุญก็บุญหนักแต่ถ้าเป็นกรรมนี่ก็พาลงนรก พาลงทุกติได้เลยเพราะฉะนั้นจิตเราจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยต้อนสายการเจริญสติรู้จักตัวเองถึงจะควบคุมได้คือคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเชื่อบุญบาปด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องไปเชื่อคนอื่นคือทำความดีก็ดีทําชั่วก็ชั่วเวลาบาปให้ผลเนี่ยจะทําให้เราเห็นจิตใจตัวเองว่าเราเป็นคนโลภคนโกรธคนหลงอิจฉาลิษยาหิงก ต, ตัวต่างๆมันจะโชว์มาหมดเลยถ้าคนไม่ปฏิบัติจะไม่เห็นนะ คือจะหมกเม็ดไอแล้วก็โยนความผิดให้คนอื่นวัตถุอื่นจะไม่มีการแก้ไขตัวเองการปฏิบัติธรรมคืการลื้อการถอนการรู้จักตัวเองเราเป็นคนยังไงกันแนะ่ถ้ารู้จักตัวเองก็เราเป็นคนไม่ดีแล้วก็เริ่มจะแก้ไขได้แต่นี้เราต้องใจกว้างให้กัลยาณมิจฉีแนะด้วยเพราะบางครั้งเราไม่สามารถเห็นโทษตัวเองได้เลยต้องคนอื่นเห็นมองให้ว่าเราเป็นคนยังไงแล้วก็น้อมรับฟัง ปรบวิจารณ์ได้เพื่อปรับปรุงตัวเองอันนี้คือบัณฑิตแต่คนพาลเนี่ยจะสอนคนอื่นไม่สอนตัวเองมีความรู้สึกว่าสอนคนอื่นดีกว่าสบายกว่าส่วนมากไม่เคยไปขายยอนรับตัวเองเราเป็นคนเป็นคนไม่ดีนะหายากคือคิดว่าตัวเองคนดีงั้นแหละทุกคนแต่ถ้าเราปฏิบัติทําไปเราจะเห็นแล้วเราเป็นคนไม่ดีมีโลคกดหลงคิดไม่ดีคิดร้ายมั่งคิดที่เปรกุศลมากมายที่เราสะสมไว้ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้เปลี่ยนแปลง ได้แต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยไม่มีทางแก้ไขได้เลยคนที่ไม่รู้ตัวเป็นโลกอะไรเราก็รักษาไม่ได้แต่ถ้าเรารู้เดี๋ยวเราก็รักษาได้การปฏิบัติธรรมจึงเป็นที่สูงมากทานศีลภาวนาอันนี้เป็นรากฐานชาวพุทธเลยแต่บางคนก็ประมาทปฏิบัติธรรมแต่ไม่ยอมทําบุญก็มีอันนี้ก็แย่ yeah. ถ้าเกิดยังไม่หลุดพ้นชาติหน้าก็ต้องเกิดมายากจนหรืออาจจะบกบรารมีไม่มีแต่ถ้าเราไม่ประมาทเราก็ทําความดีด้วย ทำบุญกุศลด้วยถือศีลด้วยปฏิบัติธรรมด้วยเป็นชาวผู้ที่ดีไม่ประมาทเกิดชาติหน้าเราแล้วเกิดไม่อีกเราจะได้มีสบายงไว้ไม่เกิดมายากจนเกินไปหรือเผื่อไปเกิดผิดที่ก็มีไปเกิดในประเทศที่ไม่รับสีพุทธไปเกิดในอิสลามหรือไปเกิดประเทศแอฟริกาเงี้ยเราบากเลยบางทีเกิดในที่ไม่มีศาสนาไปทําบาปทํากรรมป่าตาองสารก็ยาวไกลมันคนเราจะอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่คนเรากาหนดไม่ได้ก็มีเนี่ยอายุความเจ็บไข้ เวลาที่จะตายสถานที่จะตายแล้วคติที่จะไปเนี่ยเราก็หมดไปได้เลยไม่มีหลักประกัน5อย่างเนี้ยนั่นเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทอย่างเมื่อก่อนเรามาอยู่สวนโมกทุกเช้าเนี่ยทุกเช้าเย็นหรือเวลาสวดบุญลูกครั้งเนี่ยจะมีบทปิดท้ายบทประชิมพุทโววาทเนี่ยทุกวันเลยที่สวนโมกเขาจะบอกจะสอนจะเน้นเน้นบทนี้คือไม่ให้เราประมาทสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ที่เป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าโอวาทสุดท้ายเพราะถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยเราก็มีฉันทะในการทําความเพียรในการทําความดีแต่เราประมาทเราก็ทําตามกิเลสซึ่งเดี๋ยวว่าผ่านไปวันหนึ่งเร็วมากพาที่ขึ้นพาที่ตกกาเวลาผ่านไปก็เอาเอาอายุขัยเราไปด้วยหน้าตาเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอายุมากขึ้นเดี๋ยวตีนกาขึ้นผมก็ขาวเลี้ยวแรงก็เริ่มเสื่อมหูก็ไม่ค่อยดีเอาไปหมดะ ไม่มีใครคงสภาพเดิมได้วันแล้ววันเล่าซึ่งไปทํำ ธ, ธรรมชาติธรรมชาติก็ไปแบบนี้อันมาก็เห็นว่าพูดมาสมควรกับเวลาพูดสับไปเหละหลายเรื่องก็ขอโย ว, วางใจให้เป็นการทําบุญเราทําดีก็ดีทําชั่วก็ชั่วเราวางใจเป็นเราทาบุญแล้วก็ด้านนิสงมากถ้าเราภาวนาถึงจุดหนึ่งเห็นความคิดขึ้นมาได้จิตเราก็จะเปลี่ยนไม่ต้องให้ใครมาบอกเราแล้วอนี้เราจะเกิดศรัทธาเอง ความคิดความเห็นจะเปลี่ยนสุดท้ายนี้ขอให้พวกญาติโยมไม่ประมาทแล้วก็มีความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปก็ขอฟวามสุของเาเจงมีแดญาติโยมทุกท่าน